ทางเดียวที่จะหลุดจากบ่วงวงจรการเบียดเบียนคือตั้งใจจริงที่จะออกไปเพราะเคยทำกรรมที่ต้องอยู่ในวงจรของการเบียดเบียนจึงตกมาอยู่ในภพที่บีบบังคับหรือจูงใจให้ต้องเบียดเบียนการจะหลุดจากบ่วงของภพชนิดนี้ก็ด้วยทางเดียวคือตั้งใจจริงที่จะออกไปและในความเป็นมนุษย์ ก็มีศักยภาพที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นที่พอทำได้ในบรรดาพบน้อยพบใหญ่ทั้งปวงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นั้นถือว่าสูงสุดแล้วพบอื่นเกิดการเรียนรู้ได้ยากโดยเฉพาะชนิดที่สมัครใจเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อย่างนั้นพระพุทธองค์คงไม่เลือกมาสวนกระสาหาที่สุดพบชาติที่นี่ การจบภพบชาติที่ทําได้ยากที่สุดยังมีคนทําได้กับแค่การเปลี่ยนภพของตนไปเป็นอื่นจะเหนือความตั้งใจแน่วแน่ได้อย่างไรลูกเป็นโอกาสเปลี่ยนชาติชนิดหนึ่งคนเราสร้างชาติใหม่ให้ตัวเองด้วยการสร้างชาติปัจจุบันให้ลูก ครอบครัวให้โอกาสคุณสองครั้งครอบครัวแรกไม่ได้มีไว้เลือกแต่มีไวทําความรู้จักตัวเองและยอมรับตัวเองให้ได้ทุกคนเป็นทายาทแห่งกรรมของตนได้พ่อแม่แบบไหนบอกใบกรรมแบบนั้นรักพ่อแม่แปลว่ารักกรรมของตัวเองเกลียดพ่อแม่แปลว่าเกลียดกรรมของตัวเอง การถูกข่มเหงรังแกด้วยพ่อแม่ตนเองคือการแสดงตัวโจงแจ้งของกรรมเก่าคุณอาจทำแบบนี้กับลูกของตัวเองหรือลูกคนอื่นเมื่อทำใจไม่ได้ก็เลยผูกใจกลายเป็นปมเป็นความผิดปกติของจิตใจตัวเองอันยากที่จะถ่ายถอนกระจุกปมในใจคล้ายแผลฝีที่เป็นความเจ็บปวดฉลาดแค่ไหนก็ถูกเปิดแผลให้เจ็บได้คนอื่นไม่เข้าใจ เจ้าตัวรู้ครอบครัวที่สองมีไว้ให้เลือกและมีไว้ให้สร้างตัวใหม่ในแบบที่ตนเองอยากเป็นหนึ่งชีวิตมีพ่อแม่ได้คู่เดียวถ้าจะหนีไม่ใช่หนีพ่อแม่ตอนเด็กแต่ต้องหนีกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่กรรมใหม่แทรกแซงกรรมเก่าได้ ขอเพียงมีความแรงพอและเป็นคนละขั้วกับกรรมเก่าลูกเป็นโอกาสเปลี่ยนชาติชนิดหนึ่งคนเราสร้างชาติใหม่ให้ตัวเองด้วยการสร้างชาติปัจจุบันให้ลูกอดบทเรียนความผิดปกติของจิตใจตัวเองไปสร้างความปกติให้ลูกสำรวจตัวเองว่าตนยังมีกรรมใดที่บกพร่องอยู่บ้าง ไม่เห็นว่าตนอยู่บนเส้นทางกรรมผิดผิดเส้นไหนก็ตกลงใจเปลี่ยนเส้นทางกรรมนั้นๆเพื่อลูกเช่นนี้คือเปลี่ยนเส้นทางกรรมให้ตัวเองเอาชนะกรรมเก่าของตัวเองได้ด้วยกรรมใหม่ซึ่งก็เท่ากับปิดทางกรรมเส้นใหม่ให้ลูกไปด้วยอยากเกิดเป็นลูกคนแบบไหนให้ทำตัวเป็นคนแบบนั้นอยากได้ลูกดีแค่ไหนเปลี่ยนใจตัวเอง ให้ดีกว่านั้น